อัฏฐาระวัตตะ ว, ว่าด้วยวัต18ข้อในนิยสกรรมหมวดที่หนึ่งภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ถูกสง์ลงนิยสกรรมพึงประพฤติ ช, ชอบการประพฤติ ช, ชอบในเรื่องนั้นดังนี้หนึ่งไม่พึงให้อุปสมบทสอง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 ไม่พึงต้องอาบัติที่เลวซามกว่านั้นเก้าไม่พึงตำหนิกรรมสิบไม่พึงตำหนิภิกษุผู้ทำกรรม 11. ไม่พึงงดอุโบสถแก่ปกตัตตาภิกษุสิบสองไม่พึงงดะวารณาแก่ปกตัตตะภิกษุสิบสามไม่พึงทำการไต่สวนสิบสี่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 ครั้งนั้นสงฆ์ได้ลงนิยสกรรมภิกษุเสยสกะโดยสั่งให้กลับไปถือนิสัยใหม่ภิกษุเสยสกะนั้นถูกสงฆ์ลงนิยสกรรมแล้วเสบคบหาเข้าไปนั่งใกล้กัลยาณมิตรขอให้แนะนำซักถามอยู่จึงเป็นพระหูสูตรเชี่ยวชาญปริยัตทรงธรรมทรงวินยัยทรงมาติกาเป็นบัณฑิต ฉเฉลียวฉลาดมีปัญญามีความละอายมีความระมัดระวังใฝการศึกษากลับประพฤติ ช, ชอบหายเยื่อยิ่งกลับตัวได้เข้าไปหาพวกภิกษุแล้วกล่าวว่ากระผมถูกสงลงนิยสกรรมแล้วกลับประพฤติ ช, ชอบหายเยอ่อยิ่งกลับตัวได้กระผมจะปฏิบัติอย่างไรภิกษุทั้งหลาย